วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานญาติโยมจึงไม่ต้องไปทำ ง, งานทำการจึงได้มาวัดเพื่อมาสะสมทรัพย์ ภายในสะสมสะเสบียงที่จะนำติดตัวไปเวลาที่จะต้องออกเดินทางต่อไปเพราะชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่มีการเดินทางเป็นธรรมดาการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการแวะเข้าสถานีบริการ เวลาเราเดินทางไกลขับรถก็ต้องแวะตามสถานีบริการเติมน้ำมันเติมน้ำเติมสเสบียงเติมใบต่างๆให้พร้อม <c oughs> เพื่อจะได้ออกเดินทางต่อไปจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางชีวิตของเราก็มีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ความตาย ความตายนี้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของร่างกายแต่จุดหมายปลายทางของจิตใจคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ค, คือการเดินทางให้ถึงพระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือ เป้าหมายของการเดินทางของพวกเราถ้าพวกเราไม่สะสมสบียงไม่สร้างความดีเราจะเดินทางไปด้วยความยากลาบากเหมือนรถยนต์ที่ไม่เติมน้ามันไม่เติมน้ำไม่เติมลมคนขับก็ไม่รับประทานอาหารไม่มีอาหารติดตัวไปด้วย พอเดินทางไปได้ไม่ไกลรถก็น้ำมันหมดยางก็ลงมหมดน้ำในหม้อน้ำก็หมดรถก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ก็จะต้องเดินไปการเดินกับการนั่งรถอย่างไหนจะสบายกว่ากันเช่นเดียวกับการเดินทางของพวกเราถ้าเราไม่ สร้างบุญสร้างกุศลเติมสบีย์สร้างซ้ำภายในใจเราก็จะต้องไปเดินในอบายไปเดินในสภาพของเดรัจฉานไปตกนรกแต่ถ้าเราสะสมสบียงสร้างบุญสร้างกุศลไว้เราก็จะไปสวรรค์ แล้วก็กลับมาสร้างสัมเวียนใหม่สะสมใหม่กลับไปกลับมาระหว่างสวรรค์กับภพขบองมนุษย์จนกว่าจะไปถึงพระนิพพานถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาปสร้างกรรมเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับไป เป็นเดราจฉานไปตกนรกใหม่เพราะนี่คือหนทางของผู้ไม่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างแต่บาปสร้างตากำชีวิตของเรามีมีทางเลือกเราจะไปสูงก็ได้เราจะไปต่ำก็ได้การที่เราจะไปสูงได้ก็ต้องมีความรู้ ว่าการไปสูงนี้ทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้ว่าการกระทำอย่างไรเป็นการพาให้เราไปสู่ที่สูงเพราะใจของเรานั้นจะมีความเห็นผิดเป็นชอบมีความหลงจะเห็นว่าการมีราบยนสารเสริญสุต เป็นการไปสู่ที่สูงแต่หารู้ไหมว่าการมีลาบยศสารเสริอมสุกนี้จะเป็นการพาให้เราไปสู่ที่ต่าถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราหาราบยศสารเสรื่อสุขด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี ก็หกหลอกลวงเราก็จะไปสู่ที่ต่ำทั้งๆ ท, ที่เราได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขแต่ใจของเรานั้นกลับไปที่ต่เพราะว่าใจของเราสร้างบาสร้างกรรมไว้นั่นเองดังนั้นเราต้องดูที่การกระทมของเราว่าเราทำไปทางไหน ไม่ใช่ว่าเราจะรวยหรือจะจนจะมีตำแหน่งสูงหรือไม่จะมีคนสรรเสริญหรือนินทาจะมีความสุขหรือความทุกข์ไม่สําคัญเท่ากับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเราถ้าเราทำบาปเราก็จะต้องไปใช้ เว้นใช้กรรมต่อไปถ้าเราทำบุญเราก็จะได้รับผลของบุญอยู่ที่การกระทาของเราที่สำคัญกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกนี้ถ้ามีก็ดีแต่ต้องมีด้วยความสุจริตคือไม่ได้มาด้วยการทำบาปไม่ได้มาด้วยการทำผิดกฎหมายเพราะจาร ทำให้จิตใจของเราตกต่ำทำให้จิตใจของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายถ้าเรามีทรัพย์เรามีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมียุทถาบรรดาศักดิ์ที่มาด้วยความสุจริตอย่างนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรา รวยเพราะว่าเราท ร, รมาหากินด้วยความสุจริตท ร, รมาหากินด้วยสติปัญญาเราไม่ได้ท ร, รมาหากินด้วยวิธีผิดศีลผิดธรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นความนั่งรวยของเราก็จะไม่เป็นโทษไม่เป็นบา ความรวยหรือความจนนี้ในตัวของมันเองมันไม่เป็นบาปหรือเป็นบุญแต่การการสร้างความรวยหรือการสร้างความจนนี้เป็นเป็นผลเป็นเหตุที่จะทําให้เราดีหรือชั่วถ้าเราสร้างความรวยด้วยการมีความขยันหมั่นเพียรทํางานอาชีพที่สุดจริตอย่างนี้ เราก็จะสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าเรารวยเพราะเราทำบาปทำกรรมเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอาชีพที่ต้องฆ่าผู้อื่นเช่นค่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวอย่างนี้เป็นตน้นอาชีพอย่างนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่สุจริตเป็นบาปเพราะฆ่าผู้อื่น เพื่อที่เราจะได้ร่ำรวยเราจึงไม่ควรที่จะทำอาชีพอย่างนี้ให้เราทำอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นไม่ต้องหลอกลวงผู้อื่นไม่ต้องโกงผู้อื่นแล้วอาชีพของเรานี้ก็จะไม่เป็นเิศเป็นภยัยแก่จิตใจของเราคนเราจะรวยหรือจะจนนี้ไม่สำคัญ เพราะใจนี้มีความสุขได้แม้ว่าจะรวยหรือจะจนความสุขของใจนี้อยู่ที่การไม่มีความโลภความโกรธความหลงแลาการไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้เราตั้งอยู่ในความดีได้ตั้งอยู่ในศีละธรรมได้อย่างนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราก็คือ การชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ทำชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ชำระกันท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อจิตใจของท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงท่านก็ไม่ต้องไปทำบาปทากรรมผู้ที่ทำบาปทากรรมนี้มีสาเหตุมาจากความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นเวลาอยากจะได้อะไรถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาด้วยความถูกต้องด้วยความสุดจริต ก็จะหามาด้วยวิธีทุจริตเนะพราะความอยากนี้จะสร้างความขิวกว่าหายความทุกข์ทรมานใจจนกว่าจะได้มาความทุกข์ทรมานใจจึงหายไปเช่นคนที่ติดสุรายาเมาหรือติดยาเสพติดเวลาที่อยากจะดื่มสุรา หรืออยากจะเสพยาเสพติดถ้าไม่มีเงินไปซื้อจุราไม่มีเงินไปซื้อยาเสพติดมาก็จะต้องหาเงินด้วยวิธีต่างๆถ้าหาด้วยวิธีสุดจริญไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทุจริตเพราะทนต่อความอยากไม่ได้ต่อสู้กับความอยากไม่ได้เพราะไม่รู้ว่า ความอยากนี้เราสามารถเอาชนะได้และเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปทำกรรมถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นเราจะไม่สามารถต่อสู้กับความอยากได้แต่ถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นมีศรัทธา ความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราต่อสู้กับความอยากต่างๆด้วยวิธีการทำความดีด้วยการอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยการใช้ปัญญาให้พิจารณาเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากว่าไม่ได้ให้ความสุขกับเรา อย่างแท้จริงให้ความสุขเพียงชั่วประเดียวประดาแล้วหลังจากนั้นก็สร้างความอยากให้เกิดขึ้นมาใหม่ต่อให้ได้ดื่มสุรากี่ครั้งก็ตามก็จะไม่หายจากการอยากจะดื่มสุราต่อให้เสพยาเสพติดกี่ครั้งก็ตามก็จะไม่หายจากการอยากจะเสพยาเสพติด ความอยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับความโลภด้วยความอดทนอดกลัน้นด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลขอให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจของเราโลภใจของเราอยากนั้นไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจแต่เป็นโทษมากกว่า เพราะใจไม่ต้องการสิ่งต่างๆใจต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือความพอหรือความไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็จะมีความพอถ้าใจมีความพอใจก็จะสงบพอใจสงบใจก็จะมีความสุขดังนั้นเราจึงต้องพยายามชำระความโลภความโกรธความหลง ด้วยการทําใจให้สงบการทําใจให้สงบนี้ก็ทําด้วยสมาธิเช่นเราเวลาอยากจะไปเที่ยวข้างนอกหรืออยากจะดื่มสุราเราก็มานั่งสมาธิมาทําจิตใจให้สงบจะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่ก็สําคัญอย่าไปคิดถึงสุราเป็นอันขาดอย่าไปคิดถึงการอยากจะออกไปเที่ยวเป็นอันขาด ให้คิดให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆแล้วไม่นานก็จะลืมเรื่องสุราเรื่องการออกไปเที่ยวพอลืมแล้วความอยากก็จะหายไปใจก็จะสงบลงความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่จะไม่หยุดไปอย่างถาวรถ้าต้องการให้ ความยากความโกรธความโลภความหลงหายไปอย่างถาวรต้องใช้ปัญญาเพราะความโลภก็ดีความโกรธก็ดีนั้นเกิดจากความหลงความหลงก็คือความโง่นี่เองคือการไม่รู้ธรรมชาติของใจว่าอะไรทำให้ใจมีความสุข ความหลงนี้กลับไปเห็นสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจมีความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสุขเช่นไปเห็นว่ามีลามมียศมีสรรเสริญมีมีความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายจะทำให้ใจนี้มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็ใจจะต้องทำงานจะต้องตะเกียบตะกายต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ได้ลบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกิน่นรโผลธพมะมาสร้างความสุขให้แก่ใจแล้วเมื่อได้สิ่งหน่านี้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระที่จะต้องคอยรักษาคอยปกป้อง คอยดูแลไม่ให้สูญหายไปแล้วก็ต้องมาเสียใจมาทุกข์มาเศร้าโศกเพราะนาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มานี้มันไม่เทียงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเราไปบังคับเขาไม่ได้อยาให้เขาอยู่กับเราไปตลอด เป็นของเราไปตลอดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่อยู่ไปตลอดร่างกายของเราก็ไม่อยู่ไปตลอดพอร่างกายของเราตายไปเราก็ต้องไปจากโลกนี้เราก็จะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เราเอาไปได้ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจถ้าเรามีความรักมีความหวง <c oughs> มีความยึดติด ในลาบยสะะสศสรรเสิญสุดนี่คือความหลงที่เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าลาบยสะะสศสรรเสิญสุดนี้จะทำให้ใจมีความสุขแต่ความจริงแล้วมันทำให้ใจมีความทุกข์มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่าลาบยสะะสศสรรเสิญสุดนี้ เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจพระ อ, องค์ทรงมีทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญและทั้งสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นทุ่งใจเพราะพระ อ, องค์จะต้องคอยปกป้องรักษาจะต้องคอยหวงคอยห่วงแล้วก็จะต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียไป พระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดมีปัญญาทรงดูใจของพระองค์จึงเห็นว่าใจของพระองค์นั้นไม่มีความสุขมีเป็นบางเวลาเวลาที่ได้เสพการมคือรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมีความสุขเวลาได้อะไรมาตามความชอบใจก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้ก็เกิดความเสียใจ เกิดความโกรธขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินพระทยัยสละลาบรสรเสริญสุขที่พระองค์มีอยู่เพื่อไปหาความสุขของความสงบของใจใจจะสงบได้ต้องปล่อยต้องตัดลาบรสลเสริญสุขให้หมดไปไม่ให้มีความอยาก ในรากในยนต์ในสรรเสริญในสุดเลยและวิธีที่จะทำก็ต้องออกไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาไปปรีกุิยเว้เพื่อจะได้ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะเวลาเห็นแล้วใจก็จะอดอยากไม่ได้อดหิวไม่ได้อดต้องการไม่ได้จึงต้องไปอยู่ตามลำพังเพื่อจะได้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส มายุมายั่วมาแย่มาสร้างความหยากตอนต้นเวลาออกไปก็จะทุกข์ทรมานใจเป็นธรรมดาเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแต่ถ้าพยายามต่อสู้ด้วยการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรพอใจนิ่งใจสงบความอยากก็จะระงับไปชั่วคราวพอออกมาแล้ว ความอยากก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้แต่จะไม่รุนแรงเหมือนตอนก่อนเข้าไปในสมาธิตอนออกมาจากสมาธิแล้วความอยากเหมือนกับถูกฉีดยาชาหรือฉีดยาสลบถูกตัดกำลังทำให้ไม่มีความรุนแรงตอนนั้นเราก็ควรใช้เหตุผลใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น ในสิ่งที่ตนเองอยากว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆกับสิ่งที่เราอยากได้พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่อยากได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อย่างถาววอรพอเราไม่มีความอยากได้ เราก็จะมีความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆต้องชำระที่ความหลงถ้าเราสามารถกำจัดความหลงได้แล้วความโลภความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่มีความโลภความอยากความโกรธก็จะไม่มีความโกรธนี้เกิดจาก เวลาที่เราไม่ได้ตามความอยากเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดมาขวางเราก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางเรา ท, ทันทีแต่เวลาที่เราไม่มีความโลภไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธใครใครจะทำอะไรก็จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเราไม่ต้องการอะไรเราอยู่เฉยๆได้ ใจของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขใจของเราเต็มเปลี่ยนไปด้วยความพอนี่คือความสําคัญอยู่ตรงที่ใจเราต้องทําใจของเราให้พอให้ได้ถ้ายังมีความอยากอยู่แสดงว่ายังไม่พอต้องตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปให้ได้แต่ความอยากนี้ก็มีบางส่วนที่เป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนที่จําเป็น อย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นทิฏฐิเป็นภัยเช่นเวลาที่เราต้องรับประทานอาหารเวลาร่างกายขาดอาหารต้องรับประทานอาหาร 2> <2> อยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่เป็นตันหาแต่ต้องรับประทานพอประมาณคือไม่มากเกินไปถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะถือว่าเป็นกิเลสเป็นตันหาได้ หรือถ้าเรามีความอยากจะทําบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะนั่งสมาธิอยากจะปฏิบัติธรรมความอยากเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจแต่กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะการทําบุญก็ดีการรักษาศีลก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดี เป็นการชำระติเลตตันหาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายความอยากทำบุญจึงไม่ใช่เป็นเป็นพิษเป็นภยัยเราต้องเข้าใจว่าความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยนี้มีอยู่สามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเข่นอยากดูหนังฟังเพลง อยากจะดื่มสุรายาเมาอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตันหาเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นนี้ก็เป็นพิษเป็นอันตรายเราทําไมต้องเป็นใหญ่เป็นโตทําไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างเราอย่างนี้ไม่ได้หรือ เราเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นก็พอแล้วเราเกิดมาเราก็เป็นหญิงแล้วเป็นชายแล้วเป็นมนุษย์แล้วก็พอเพียงแล้วทำไมต้องไปเป็นเจ้านายทาไมจะต้องไปเป็นผู้จัดการทาไมจะต้องไปเป็นนายพลนายร้อยนายผันทำไมจะต้องไปเป็นนายกเป็นนาเป็นประธนาธิบดี ความอยากหล่านี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนั่นเองส่วนความอยากไม่เป็นอยากไม่มีนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเช่นเราเป็นหญิงแล้วอยากจะเป็นชายอย่างนี้มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะอยากเพราะอยากจะเป็นอย่างอื่นอยากจะเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นก็ต้องวุ่นวายไปแปลงเพศ เกิดมาเป็นชายแต่อยากจะเป็นหญิงก็ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวให้เขาไปผ่าไปตัดเสียเงินเสียทองไม่จำเป็นเราต้องมีความพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราเป็นหญิงก็ให้เราพอใจกับความเป็นหญิงเราเป็นชายก็ให้พอใจกับความเป็นชายเรารวยหรือเราจนก็ให้เราพอใจกับความรวยความจนของเรา เราอยากไปดิ้นรนกวัดแกงให้มันเหนื่อยมันยากให้มันทรมางไปต่อๆไม่เกิดประโยชน์อะไรได้มาแล้วก็จะไม่เกิดความพออยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเวลาเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยพอได้นายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันพอได้นายพันก็อยากจะเป็นนายพลอยากจะได้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตาใดยังมีความอยากอยู่ภายในใจ ตามนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์ทรมานใจไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือความอยากที่เป็นทิศเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจคือความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราอยากไปมีความอยากเหล่านี้แต่ถ้าเราอยากจะทําบุญนี้อยากได้ อยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะฟังธรรมความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจควรรีบทำทันทีถ้าเวลาเรามีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะจะช่วยชําระกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจของเราให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไป จนหมดสิ่นไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจเจริญสันโดษสันโดษนี้แปลว่าความพอใจกับสภาพที่เรามีอยู่เป็นอยู่เหมือยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ให้พอใจกับสิ่งที่เรามีได้อะไรมาก็ให้พอใจกับสิ่งที่เราได้มาถ้าเรามีสันโดษแล้ว ใจของเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจจะไม่โกรธไม่เกลียดใครเพราะเราจะไม่มีความโลภมาทำให้เราต้องไปโกรธไปเกลียดคนอื่นเวลาเราโลภอยากได้อะไรอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่ได้ดาใจเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความเกลียดในคนที่เขาห้ามหรือขัดขวางไม่ให้เราได้ทำตาม ที่เราต้องการจะทำในความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมันมาจากความโลภมาจากความอยากแล้วถ้าไม่ระมันระวังมันจะพาให้เราไปเกิดในอบายต่อไปเพราะถ้าเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็จะคิดร้ายต่อผู้อื่นจะทำร้ายผู้อื่นแล้วเมื่อเราทำร้ายผู้อื่นแล้ว ตายไปเราก็จะต้องใช้กรรมใช้เวรต่อไปจึงไม่ควรที่จะมีความอยากควรยินดีตามมีตามเกิดตามสภาพของเราคิดเสียว่ามันเป็นผลบุญผลกรรมของเราก็แล้วกันเราทำบุญทำกรรมมาอย่างไรเราก็ได้รับผลบุญผลกรรมอย่างนั้นเราอย่าไปสู้เวรสู้กรรมสู้บุญสู้กรรม บุญกรรมนี้เป็นสิ่งที่เราสู้ไม่ได้มันเป็นมาอย่างนั้นเพราะเราสร้างมาอย่างนั้นไม่เช่นนั้นพวกเราทุกคนก็จะต้องร่ำรวยกันหมดเป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแต่มันเป็นไม่ได้เพราะเราสร้างบุญสร้างกรรมมาไม่เท่ากันนั่นเองไม่เหมือนกันคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็เพราะเขาได้สร้างบุญมามากกว่าเราเราจึงไม่ใหญ่ไม่โตเท่ากับเขา คนที่เขาร่ำเขารวยกว่าเราก็เพราะเขาสร้างบุญสร้างกุศลมามากกว่าเรานั่นเองขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะทำใจได้แล้วเราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะรวยหรือจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กจะไม่เป็นเรื่องสำคัญเราจะมีความสุขได้เสมอ เพราะใจไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้ใจเพียงหลงไปอยากเป็นเท่านั้นเองใจเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นต่อให้เป็นมหาเศรษฐีใจก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีด้วยใจก็ยังเป็นเพียงผู้รู้ต่อให้ใจเป็นคนยากจนใจก็ไม่ได้ยากจนไปกับกางเป็นคนยากจนใจก็ยังเป็นใจอยู่ใจนี้จะรวยก็ต้องรวยด้วยบุญกุศล บุญกุศลนี้เป็นทรัพย์ภายในใจจะจนก็เพราะไม่มีบุญไม่มีกุศล ไ, ไม่มีทรัพย์ภายในถ้ารวยด้วยทรัพย์ภายในใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มถ้าใจไม่รวยขาดบุญขาดกุศลใจก็จะมีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงควรสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในใจของเราให้มาก ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการภาวนาแล้วเราจะมีทรัพย์ภายในมาหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้เราทำให้ใจของเราเป็นเศรษฐีที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทรัพย์ภายในให้แก่จิตใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพิดเพลินนาา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 ทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ